ูท่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรสนาสนทนาค่ะเราต้อนรับท่านเข้าสู่เช้าแห่งการที่ท่านจะได้เห็นอรุณรุ่งของวันใหม่ไปพร้อมๆกับการที่ได้เจริญสติตั้งแต่ตอนต้นของรายการภายใต้การนำของประสงค์ที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเรที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีนะคะเราเริ่มต้นปฏิบัติกันตั้งแต่ตอนพบท่านเลยละ่ะเตรียมตัวให้ดีนะคะดิฉันกําลังจะพาไปพบท่านเดี๋ ynn ี้ค่ะกล่าวณมรัส ก, การท่านพระมหาภัยบุญอภิปุณโญค่ะเจนพอลเวลาที่เรามาพบกันเจอเจอกันก็มาฝึกปฏิบัติตามกันสักนิดหนึ่งโดยท่านบูฟังกําหนดนะครับว่ากําหนดนี้ก็คือเอาใจมาจดจ่อคําว่าเอาใจมาจดจ่อนี้ก็คือการระลึกถึงนั่นเองคือตั้งสติเอาไว้ในอยู่กับสักที่ใดที่หนึ่ง ที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นเผลอไปในที่นี้คือพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าดารงสติ like ไว้เฉพาะหน้าแต่คำว่าเฉพาะหน้านี้เอาเราใช้ลมหายใจก็แล้วกันในวันนี้นมาระลึกถึงลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นต่คำว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั้นคือรู้อยู่ที่ตําแหน่งเดียวคําว่ารู้นั้นก็คือการระลึกได้รู้นั้นก็คือการระลึกรู้รู้นั้นก็คือการรู้สึกแต่เราจะเอาความรู้สึกก็ได้ ในที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมมาตั้งเอาไว้ไหนะให้จิตของเราอยู่ที่นี่รู้นั้นรู้ที่เดียวคือไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมบอกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าประตูแต่เขาไม่ได้ตามคนเข้าไปในอาการไม่ได้ตามคนออกนอกอาการแต่ว่าอยู่ณที่จุดเดียวที่ตำแหน่งเดียวเรามารู้อยู่ตรงนีนะ้ตรงนี้จะเกิดสติขึ้นทันทีเหนะมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยพรจะเกิดความปลอดภัย ขึ้นกับประการหลังนั้นสถานที่อย่างนั้นจิตของเรามาเฝ้าอยู่กับลมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือสติที่จะรักษาจิตเอาไว้สติที่รักษาจิตนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นมันไปเกลือกลัว้วเข้าคลึง่งกำนัดในสิ่งต่างๆที่มากระทบได้และทำให้จิตของเรานั้นมันเหนือจากการควบคุมมีความเย็นใจมีความสบายใจอยู่ได้สติที่เกิดขึ้นบุคคลที่มีสมารสติแล้วจะนําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ เวลาเรามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถใช้กําลังสมาธินี้ไปในเรื่องใดๆก็ได้เรื่องที่พระพุทธเจ้าให้ใช้ในการพิจารณาในที่นี้คือเรื่องที่จะทําให้เราพ้นเรื่องที่จะทําให้เรานั้นเห็นตามที่เป็นจริงเรื่องที่จะทําให้เรานั้นมีความปัญญาที่เฉียบคมแต่วิธีการคิดพิจารณาอย่างไรที่จะทําปัญญาของเราให้มีความเฉียบคมเฉียบแหลมแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยง เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้คือจะมีปัญญาที่เฉียบแหลมขึ้นมาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปัญญาสัมปทาคือความถึงร้อมด้วยปัญญาแต่คือการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆ่าแต่บุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือจะทําให้คุณเห็นนะแต่ไม่ใช่ว่า ไปเกลือกกลั้วว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเห็นแต่ข้อดีในมันแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียในมันแต่ปัญญาจะไม่เกิดแต่นี้นคุณจะมีอคติมีความลำเอียงไปแต่คนที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันแล้วเ อ, อจะเห็นตามที่เป็นจริงลักษณะ น, น, น, นี้คือการเห็นตามที่เป็นจริงไม่เห็นตามที่เป็นจริงตามสิ่งต่างๆที่มันเป็นเห็นว่าเอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีเหตุจะไม่มีปัจจัยไม่ได้ มันก็ต้องเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยไม่ได้เป็นตัวของมันเองเองกเทศโดดๆเดียวๆความที่มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเอกเทศเป็นอัตตาของมันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาคือการที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นเกิดขึ้นอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวไม่ได้จะต้องมีสิ่งที่อาศัยมันถ้าเหตุปัจจัยของการที่มันยังมีอยู่คงอยู่นั้นมันยังดำรงอยู่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฉลอมที่เราเอามาใช้เป็นตรกา หรือว่าถาดหรือว่ากระด้งเนี่ย <ave> เขาก็เอามาจากเครื่องจักสาน sí. เอามาจากไม้ไผ่ที่เอามาสารกันเป็นตามรูปแบบนี้ mm. ก็อาจจะมาเป็นฉลอม <gli> เป็นกระด้งหรือเป็นตะกร้าแ ต, แต่ถ้าเราเอาชิ้นไม้ไผ่นี้ออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นความเป็นฉลอมความเป็นตะกร้านั้นก็จะหายไปความเป็นฉลอมความเป็นตะกร้านั้นจะคงอยู่ดำรงอยู่ก็แต่เมื่อไม้ไผ่ชิ้นไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่เหล่านี้มาขัดกันมาสารกันในลักษณะนี้ลักษณะนี้เท่านั้นถ้ามันไม่ได้อยู่อย่างนี้แล้ว ความเป็นฉลอมหรือไม้ไผ่นั้นมันก็หายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคือการที่ไม้ไผ่มันมาขัดอย่างนี้แล้วมันอยู่ได้เนี่ยแล้วมันหายไปจากการที่เหตุปัจจัยมันดับไปเนี่ยอันนี้คือความเป็นอนัตตาแต่ฉลอมก็เป็นอย่างนี้น้อมก็มาสู่ตัวเราตัวเราเองตัวเราเองก็เป็นอย่างนี้มีมารดาบิดาเป็นด้งเกิดโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็เพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปแต่กินอาหารแบบนี้อยู่ในสภาวะอากาศแบบนี้ รูปร่างหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้แบบคนเอเชียถ้ากินอาหารแบบนี้อยู่ในที่อากาศอีกแบบหนึง่งก็ออกมาเป็นแบบคนยุโรปมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่ได้จะคงอยู่ตลอดถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปคงอยู่กันไม่ได้กายนี้ก็แตกไปใน่กายนี้คือจากธาตุสี่ในน้ำไฟลมถ้าธาตุสีมันตั้งอยู่ไม่ได้ดํารงอยู่ไม่ได้คงอยู่ไม่ได้กายนี้ก็ต้องแตกไปเช่นคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปวดท้องปวดหัว เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจนั่นคือความที่ธาตุมันยังคงอยู่ไม่ได้มันก็จะแตกกันไปหรือว่าคนที่การมมันสิ้นแล้วหมดกรรมกรรมไม่ได้จะคงอยู่ในสภาวะความเป็นมนุษย์ได้อินทรีย์คือชีวิตก็ดับไปแต่กายนี้มันไม่มีอินทรีย์ประกอบกันอยู่มันก็แตกขึ้นไปดับไปพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเทียนแต่ถ้าบอกว่าเชื้อมันหมดไส้แล้วเนี่ยเปลวเทียนมันก็ดับไปหายไปหรือถ้ามีลมพัดแรงมาเหตุปัจจัยมันดับไปอย่างนี้ ชีวิตนี้ก็ดับไปแต่พิจารณาหเห็นอยู่เป็นประจำในเรื่องความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆแต่ทําให้เรามีปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นบุคคลที่มีปัญญามีความฉลาดหลักแหลมอย่างนี้แล้วในศาสนานี่แหละในศาสนานี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสําหรับคนที่มีปัญญาแต่สําหรับคนที่ขยันหมั่นเพียรในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราจะมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้ได้แน่นอนเจริญพรสาธุค่ะ ท่านยกอุปมาฉลอมอืมที่ชันเองมีความรู้สึกว่ามันโบราณเกินไปไหมไ ม, ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่ก็เราจะบอกว่าเอาอาจจะเป็นเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอาจจะมีความรู้สึกว่ามันนึกไปไม่ถึงที่สุดอืมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกลางคนแล้วก็ตามทีมันก็ยังนึกถึงกับตัวเองได้ไม่ถึงที่สุดได้แต่ดูอะไรแล้วลอกข้างใช่ไหมคะมแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ย น้อมนึกเข้ามาใส่ตนเนี่ยฉันว่าดีจริงๆนะคะอืมคือทุกวันนี้เอเราจะเห็นภาพชัดขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองฉันเนี่ยวัยใกล้ๆจะหกสิบปีนะคะก็เห็นชัดเจนมากขึ้นเนอะเราเปลี่ยนไปเยอะนะนะคะเพื่อนเราก็เปลี่ยนไปเยอะออืเราไปอยู่กับคุณแม่เนี่ยเราก็เห็นว่คุณแม่เราเนี่ยเปลี่ยนตามลําดับเลยนะดิ<ต>ฉันว่าถ้าดูแบบเนี่ยแล้วมันจะ มันมันเขาเรียกว่านะคะเกื้อกูลกับการที่เราจะปฏิบัติธรรมใช่ใช่อันนี้ถูกต้องก็ อ, งอยากจะเสนออะค่ะว่าความจริงเราเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ทําแบบนี้กันก็ดีนะคะอืได้เลยเพราะาอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราพิจารณาได้นะคืออันนี้จะเป็นเรื่องของเทวทูตหยิมติว๋วคือคือเราเห็นความแก่ความแก่เนี่ยเป็นเทวทูตจะเป็นความแก่ของตัวเราเองก็ได้ หรือบางที่เราอาจจะยังไม่เห็นเราก็เห็นความแก่ของคนหนึ่งที่เราเห็นมาหน้าบิดาคนรอบข้างคุณป้าคุณอาเราเห็นความแก่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้คือเทวประตูตรงนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่าการที่จะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยมันก็มีทิศทางมาได้หลายจุดไงพระพุทธเจ้าของเราจึงเทศไว้โดยอเนกปริยายแบบเยอะแยะมากละเอียดรอบครอบ ต, ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ค่ะสมมุติเราตื่นมาตอนเช้าอันนี้ยกตัวอย่างจะข้อเท็จริงเลยนะคะเราเนี่ยอย่างแรกเราก็จะไปล้างหน้าล้างตาก่อน แปลงฟันหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับคนในโลกปัจจุบันที่มันสร้างพร้อมไปหมดเนี่ยอย่างน้อยกระจกสักบานต้องมี <c oughs> เป็นหน้าตัวเองละ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> คือคือดิอฉันกําลังจะให้ท่านใส่ธรรมะไปดิฉันจะยกตัวอย่างความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่โอเคว่าบางคนที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะสารวจนอยู่สารวจนอยู่กับหม้อกระทะจานข้าวช้อนเตรียมอาหารอ <c oughs> บางคนก็สารวจนอยู่กับการแต่งตัวนะคะบางคนก็สารวจน กับการเตรียมรถราที่จะออกจากบ้านดูแลลูกเป็นต้นท่านบอกว่าสามารถที่จะพิจารณาให้เห็นธรรมได้ไปหมดใช่ไหมคะใช่ใชเป็นอย่างไรได้บ้างคะจากตัวอย่างที่ว่าจากตัวอย่างที่ว่ า, า, ว า, วาคือเราดูเรื่องของภัสสะก็ได้นะว่าภัสสะเนี่ยถ้าเราแยกเป็นภัสสะว่าผัสสะท่าทางตาใช่ไหมคุณใช้ตาดูนั้นผะัสสะก็เกิดจากรูปนะแล้วก็เกิดจากตามากระทบกัน จิตเข้าไปรับรู้จึงเกิดเป็นภาษาขึ้นภาษานี้ก็มีความไม่เที่ยงดูจากภาษาแยกภาษาออกมาอย่างนี้ก็ได้นะหรือ2เราพิจนารณาถึงรูปที่คุณเห็นนั่นแหละอะไรคุณเห็นอะไรคุณเห็นอาหารใช่ไหมอ่ารนี่มันคืออะไรก็พิจนารณาเป็นธาตุออกมาในะรูปนะ้ามันก็จะมีธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนะของแข็งนี่ก็เป็นธาตุดินของเหลว น, นี่ก็เป็นธาตุน้ำนั่นะคือการแยกธาตุมันออกมานี่คือในข้อที่2หนระือข้อที่3อาหารเหรอ แหมมันสวยงามตอนแรกเฉยแต่พออีกวันหนึ่งมันออกมานี่มันออกมาอีกทางหนึ่งนี่มันเน่าเหลือเกินแต่พิจารณาเป็นอสุภะอย่างนี้ก็ได้ความเป็นปฏิกูลในอาหารนะหรือข้อที่4ี่แพิจารณาถึงความที่ถ้าเอาเป็นเรื่องของอการเดินทางเอาการเดินทางแตการเดินทางนี้เราจะเห็นธรรมะว่าออการเดินทางในสังสารวัตรนี่มันยาวกว่าไปกว่าที่เราเดินทางอย่างนี้แต่คือเห็นธรรมะจากตรงจุดที่เรากําลัง พิจารณาอยู่เห็นอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะีมีตัวอย่างเรื่องของสามเณรที่ขึ้นไปบนยอดเขาเห็นทะเลเนี่ก็นึกถึงว่าโอโ้โหสังสารวัตนี่มันมันกว้างใหญ่มากนะน้ําทะเลจริงๆเนี่ยไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งของน้ําตาที่หลั่งไหลออกมาจากความทุกข์ที่เราเจอแต่คุจะเห็นตามมะแบบนี้ก็ได้เ น, นได้หลายแงยม่มุมคือจิตของคนที่เขามีนิมิตตั้งไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเขาจะแบบมองอะไรก็เห็นเป็นธรรมะไปหมดเลยนะ เท่ากับว่าต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานถูกไหมคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องที่ท่านบอกว่าสัมมนเณรขึ้นไปบนยอดเขามองลงไปที่มหาสมุทรแล้วก็เห็นว่าสังสารวัตเนี่ยมันกว้างขวางมากยาวนานมากเพราะเอาน้ําต า, <ม>าไปเปรียบเทียบอว่าอันนี้ดิฉันอยากให้ท่านได้ทบทวนถึงพุทธพจน์ิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยดีมากๆเลยนะคะ่ะเอ อ, เ อ, อตรงนี้เอาเอาถึงเรื่องที่ว่าที่คุณโยมติบอกว่าต้องมีการศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมตรงตรงนี้คืออาวุธไง สุดตา น, นี่จึงเป็นอาวุธพนะระพุทธเจ้ายกตัวอย่างถึงเมืองที่จะต้องมีการป้องกันเนี่ยเราบอกว่าเราจะป้องกันภาษามิภาษาได้มากน้อยก็ตามเราจะเห็นธรรมะได้คุณต้องมีอาวุธนะในเมือง น, นี้ต้องมีอาวุธอาวุธนี่คือสุดตา น, นัันเองที่เราฟังทำแต่อยู่เรื่องเราก็จะมีความรู้ต่เนื่องมาถึงเรื่องของสามนเณรสามนเณรอง์หนึ่งท่านก็ไปหาอุปชาอุปชาก็พาไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสให้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ พาขึ้นไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนมองเห็นน้ําทะเลเห็นทะเละนะอยู่อยู่ที่ริมทะเลท่านก็พระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะไม่เน้นเห็นทะเลแล้วนึกถึงอะไรัคือสามเณนรูปเนี้ยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระอาหารหันต์เห็น <He S 2> สิ่งใดท่านก็นึกถึงแต่เรื่องธรรมะทั้งหมดท่านก็เลยเ ห, เห็นทะเลก็นึกถึงว่าน้ําตาที่หลังไหลออกมาในตลอดสังสารวัฏเนี้ยถ้ามาเปรียบเทียบแล้วน้ําทะเลนี่มันยังน้อยอยู่ น้ำตาที่ออกมานี่ยังมากกว่ามาหาสมุทรทะเลทั้งหมดด้วยซ้ำอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ท่านเห็นค่ะท่านฟังฟังตรงนี้ยละท่านพอพอเป็นคำพูดพระพุทธเจา้าดิฉันเข้าใจว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าจริ ง, รงหรออย่างนั้นเลยหรอ เราร้องไห้เนี่ยว่าเราร้องทั้งชีวิตเนี่ยปี๊ปหนึ่งได้หรือเปล่า ย, ยังไม่ทราบสมมตินะคะคนร้องไห้เดี๋ยวจะนั่งนึกนึตัวเองเนี่ยร้องไห้ถึงปีหนึ่งก็บอานี่ถ้าสมมติว่าพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยาวไกลามากถ้าเราไม่สามารถหยุดการเกิดได้ก็เท่ากับว่าโหน้ำในมหาส ม, มุทรนั่นนะอ่ะโอกี่ชาติก็ไม่รู้อนะมานะไปอ่านพระสูตรนี้ครั้งแรกตอน ารรภาษาและภาษาที่สองนะขึ้ภาษาที่สองจะมาใส่ที่วัดป่าอนัยโสกเนี่ยพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างในอีกพระสูตรหนึ่งท่านท่านพูดเองท่านตรัสเองไม่ได้เกี่ยวกับขอ้อข่าวมาเน็ตละท่านพูดถึงว่าหนึ่งกับเวลาหนึ่งกับยาวนานเท่าไหร่ <Okay. S 1> เวลานหนึ่งกับในายามนานเท่าไหร่นะเอา้าคุณร้องไหใ้ใช่ไหมเพราะอะไรแม่ตายเหรอหรือว่าร้องไห้เสียใจเพราะแฟนทิ้งใช่ไหมเอาเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเอาเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะไม่เอาเหตุการณ์อื่นเช่นว่า เรษฐกิจ ต, ตกตามต้องเสียบ้านเสียรถอะไรนี้ไม่เอาร้อง้องไห้นะเอาเฉพาะเหตุการณ์เดียวว่าแฟนทิง้งแล้วก็เอาน้ําตานั้นมามีแฟนคนนี้ทิ้งคนเดียวก็เก็บไว้มันอาจจะไม่พอขันนึงด้วยมั้งธรรมดาว่านะถ้าเฉพาะเหตุการณ์เดียวนะค่ะสมมติ ques, คุณเกิดชาตินี้ก็เอาน้ําตาเก็บสะสมเอาไว้นันน้นับถอยหลังไปนับถอยหลังไปชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมชาติก่อนคุณเกิดเป็นอะไรเอาเฉพาะที่เป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาอะไรไม่เอาเอาเฉพาะที่เป็นมนุษย์ แล้วมีการเสียใจจากการที่แฟนทิ้งเท่านั้นนะถ้าไม่มีแฟนคุณไม่แต่งงานก็ไม่ต้องเอาร้องไห้อย่างอื่นไม่เอาเอาเฉพาะเหตุการณ์แฟนทิ้งอย่างเดียวเอาน้ําตานั้นมารวมไว้นับถอลังไปอีกนับถลังไปอีกเอาเหตุการณ์นี้อย่างเดียวเอาน้ําตามารวมรวมๆๆๆกันเนี่ยนะนับถอยหลังไปประมาณหนึ่งกับเนี่ยน้ําตาที่รวมๆเอาไว้ถ้ามันสามารถจะนํามารวมกันได้เนี่ยยังมากกว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่บูมเลยแล้วสรุปตรงนี้ท่านบอกว่าเพียงแค่นี้ นี่พร ะ, ระพุทธเจ้าตรัสเพยียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อที่จะคลายกำหนัดเพื่อที่จะปล่อยวางเพยียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางแล้วก็พูดต่อไปแต่ว่าอ้าวถ้าอนาคตล่ะ อ, อนาคตถ้าจากวันนี้ไปจากวันนี้ไปชาติหน้าถ้าคุณเกิดใช่ป่ะเกิดเป็นคนนะเกิดเป็นสัตว์นรกไม่เอาเกิดเป็นอย่าเทวดาไม่เอาเอาเฉพาะเกิดเป็นคน แล้วทุกคุณจะต้องร้องไห้ออกมาอีกเก็บไว้สักปี๊บหนึ่งขันนึงก็ว่าไปแล้วก็ต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกเนี่ยจนกระทั่งน้ําทะเลมันเท่ากับในมหาสมุทรทั้งสี่อคุณจะเอาเหรอโอ้โหเพียงเท่านี้นะพอแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วเท่าที่จะเบื่อหน่ายในสังคันทั้งปวงพอเพื่อที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อที่จะปล่อยวางถ้าเรามีความทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตนี้ปัจจุบันนี้แล้วคุณร้องไห้แล้วคุณชาติหน้าคุณต้องไปทุกข์อีก ใช่ต่อไปคุณต้องไปทุกอีกจนกระทั่งน้ําตามันออกมาเท่ากับน้ำทะเลนในมหาสมุทรทั้งสี่คุณจะเอาเมันมันไม่ไหวหนะ้ามันจะต้องวางแล้วนะเพียงเท่าเนี้ยพอแล้วเพื่อที่จะคลายกําหนัดเพื่อที่จะปล่อยวางให้ได้ในวิธีการคลายกำหนัดวิธีการปล่อยวางท่านก็จะสรุปอไว้ในเรื่องของมรแปดเั็นเองค่ะดินั้นคิดว่าพวกเราก็คงจะมีโอกาสกันไม่มากก็น้อย น, นะคะที่ได้ไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ ป่วยใกล้จะเสียชีวิตที่รู้ตัวล่วงหน้าเนี ว, ว่าวาระสุดท้ายกำลังใกล้จะมาถึงเป็นภาพที่สะเทือนใจนะค ะ, ม, ะมีอยู่ท่านหนึ่งท่านก็เป็นคนที่เคารพนับถือของพวกเราแล้วได้ไปเยี่ยมท่านเนี่ยลูกๆ ก, ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคุณแม่นะเคยทำบุญใหญ่นะคือเคยประดิษฐ์เป็นเครื่องบูชาเป็นเพชร ทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นเพชรเทียม แ, แต่สวยงามมากมตั้งสามสิบกว่าชิ้นทูลเกล้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ส่งให้ไปประดิษฐานบูชาพระแก้วมรกตพอท่านได้ยินในสิ่งที่พูดถึงทบทวนในบุญของท่านฉันเห็นท่านตื้นตันน้ำตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งท่าน ก, ก็เสียชีวิตไป S <S อ่เดิฉันคิดว่าท่านท่านตีติอันเนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นอะไรไม่กระที่เรานึกถึงความดีของเรามากๆนี่เลยนี่เลยคือจากกานุสติจากการนุสติจากกานุสติก็คือการระลึกถึงในการที่เราสละออกเราให้ออกอันนี้ก็จุดหนึ่งนะเรามีสติตั้งไว้ดีการคิดถึงระลึกถึงตอนนี้นเนี่ยเป็นการคิดถึงระลึกถึงที่ทําให้จิตของเราไม่ได้ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศล ไม่ได้ไปอยู <hm ่ในแดนที่ไม่ดีแต่ไปอยู่ในแดนที่ดีแต่จุดนี้คือดีแน่นอนมันเป็นกุศลธรรมแน่นอนค่ะเอซึ่งดรายิคิดว่ามันก็แปลกกับการที่เราได้มีโอกาสสมมติไปเยี่ยมค่ายบางคนเป็นเด็กๆในคุณพ่อคุณแม่พาไปหมดเลยนะไปไหนก็แล้วแต่แต่เราก็ไม่เคยคิดนะว่าเออถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วต้องตายนี่จะเป็นยังไงอืมนะคะแล้วก็ก็เลยอาจจะลืมไม่ได้ตระเตรียม ทำความดีอะไรที่ให้ระลึกถึง uh huh. สมมติว่าถ้าเราจะคิดไป้วา่าเร า, าเป็นคนดีค น, คนบางคนเนี่บอกว่าไม่ค่อยได้ทำบุญนะะแต่ว่าชีวิตได้ทำดีตลอด uh. คือเหมือนกับว่าคิดว่าข้อที่หนึ่งถ้าบทจำกัดความของคนดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเนี่ย uh huh. มีเกือบครบกต่พร่องกับแพลงเล็กน้อย <laughs> ทีนี้ดีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าในสังคมไหนด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้าเาอยู่ในหมู่โจรเนี่ยนะเขาหัว ร, <อ>รักขโมยเนี่ยดีฆ่าเนี่ยดีโจรคนไหนที่ไม่ขโมรไม่ฆ่ า, านี่ไม่ดีต้องไล่ออกจากหมู่โจรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราพูดถึงในสังคมทั่วไปนะทั่วไปค่ะทั่วไปเนี่ยดีนะมันก็จะต้องเอาอะไรมาวัดเราก็จึงต้องมีเกณฑ์ในการวัดทีนี้ว่าความรัตคุมเรื่องของบทเพลญชนะก็ต้องกลับมาที่ที่พระพุทธเจ้าสอน พูดถึงเรื่องของกุศลกับมรดเนี่ยเอาเรื่องนี้มาวาดัดเอาศีลมาวาดัดแต่ศีลนี่เป็นความปกตินะของคนทั่วๆไปเขาจะต้องเป็นกันศีลเนี่ยนะศีลศีลหน้าเร า, ร า, ราท่านๆ น, น, นี่แหละถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ได้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนในระดับที่เป็นคนทั่วๆไปคนดีละ ค, คนดีนระดับทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการวัดอันหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องความดีความงามตัว น, นี้มันก็จึงจึงจะต้องมี ท, ท, ที่จะสับสนกันก็คือว่าดีแต่มันไม่ใช่ดีจริงๆเช่นว่าสุขเวทนาอย่างนี้เป็นตน้นสีนี่ชัดเจนนะสนีชัดเจนว่ามันดีแต่ถ้าเบิดว่าบางทีแล้วเราทําปฏิบัติตามสีอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ดีบางคนจะคิดว่าอย่างนี้ไอ้ดีที่2เนี่ยนะที่ว่าปฏิบัติตามสีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยคือไม่ให้ความสุขตามที่ต้องการเช่นว่าเราอยู่ในที่ทํางานที่เขาโกงกันทั้งสํานักงานเลยเนี่ยนะแล้วเราบอกฉันไม่โกงจำเป็นฉันทําตามสีนะ แต่ฉันไม่เห็นได้ดีและฉันแปลกหัวหน้าไม่เลื่อนขั้นเพราะฉันไม่เซ็นให้หรือว่าเขาถูกเขาด่าเขาว่าออทำไมฉันทําดีนะแต่ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดีที่สองนี่คือถูกด่าคือไม่ได้คําชมไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เงินเดือนสูงดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการที่จะจาะจงลงไปว่าดีอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งสุขเวทนากับทุกขเวทนา เราจะเอามารวมกับเรื่องของศีลไม่ได้บาปปุจจเจ้าแยกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วในธรรมจักรบรัตนสูตรนะสุขเวทนาทุกขเวธนาที่เราว่ามันสุขเป็นดีทุกมันทุกกไปธนามันไม่ดีเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของขันห้าซึ่งมันก็จะเกิดได้บ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ธรรมดาแต่มาร์8แปดคือศีลเป็นต้นเนี่ยยังไงมันก็ดียังไงมันก็ดีคือทําแล้วมันดีตรงนั้นเพราะความที่มันดีของมัน ความ <S <S ดี <นะ S 2> เป็นบุญไหมคะท่านคะถ้าลักษณะถ้าความดีที่เป็นมาร์กแปดเป็นบุญใช่แต่ความดีที่เป็นสุขเวทธนาที่เราพูดถึงว่าสุขเวทธนาแล้วมันดีเนี่ยอันนี้มันจะเป็นผลของบุญจะเป็นคนละส่วนกันแต่คือคือเราจะรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้เราต้องมีผัสสะถูกไหมค่ะเช่นดนตรีเช่นอาหารเช่นเสื้อผ้าที่สวยงามเป็นต้นเป็นผัสสะมากระทบแต่ถ้ามันน่าพอใจมันก็ดีถ้าไม่น่าพอใจมันก็ไม่ดีนี่คือเราจะคิดบ้าอย่างนี้ นี้อะไรล่ะที่เป็นผลทําให้เกิดภาษาต่างๆอะไรเป็นผลที่ทําให้เกิดภาษาต่างๆตรงนี้จึงเป็นที่เรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าพูดถึงกรรมเก่านันก็คือการที่เรารับรู้ต่อกรรมเก่าได้เนี่ยเราเอาศัยร่างกายที่จะรับรู้ต่อตาหูจมูกลิ้นกายคือภาษาต่างๆเหล่านี้ผ่ามาทางร่างกายของเราเราจึงรับรู้ได้เพราะนั้นเรื่องของกรรมเก่าก็คือภาษาต่างๆที่มากระทบนั่นเองอย่างเช่นว่าถ้าคุณยมติ๋วให้ทานให้ทานใช่ไหม ให้ทานปุ๊บนี่เป็นการสร้างบุญเป็นการสร้างความดีแล้วการให้ทานสร้างบุญเนี่ยก็ต้องมีผลดีเป็นผลตอบแทนผลดีที่จะเกิดขึ้นก็เป็นโพทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นกับโยมติว๋วแล้วมันจะมาทางไหนโพทระซับแล้วก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงเรารับเงินนี่ก็เป็นทางทางกายใช่ไหมเรามี ช, ชื่อเสียงนี่ก็เป็นทางวาจาทางอะไรก็มาตามทางนี้เป็นพัสดุที่เราจะรับรู้ได้อย่า ง, งนะี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงผลกับเหตุก็ต้องแยกกันให้ออกลผลกับเหตุบุญเราสร้างแต่ผลบางทีมันอาจจะ เกิดในเวลาถัดมาเกิดในเวลาถัดมาถัดมาอีกอย่างเงี้ยนะเช่นว่าเราเราไม่โกงอย่างเงี้ยนะผลที่เกิดขึ้นเดียวนั้นเลยคือเราก็ได้ทําความดีนี้เป็นบุญของเราผลที่เกิดในเวลาถัดมาถูกหัวหน้าด่าเพราะว่าหัวหน้ามันจะโกงผลที่เกิดมาในเวลาถัดมาถัดมาอีกอันนี้เราจะไปสวรรค์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วความดีทุกอย่างเป็นบุญถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าความสุขทุกอย่างอาจจะไม่ใช่บุญอย่างนั้นถูกไหมครับเอาใหมย บุญทุกอย่างเป็นความดีบุญทุกอย่างเป็นความดีความดีทุกอย่างเป็นบุญไหมคะไม่แน่เพราะว่าดีคุณเอาอะไรมาดีไฟใช่ไหมเพราะบางคนก็บอกว่าสุขเวทนานี i ก็ดีแต่สุขเวตนาไม่ใช่บุญไม่ไม่ใช่บุญเข้าใจไหมค่ะสุขเวทนาเป็นกัน5แต่บุญนี่คือการที่เรากระทาบุญนี่คือมรรคแดค่ะเออเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญนี่คือสิ่งที่เราทําเป็นเป็นการกระทําที่เราทําทําตามไหนทําตามมรรคแปด อันนี้เป็นบุญบุญดีไหมดีดีเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> บุญทุกอย่างเป็นความดีหมดบุญทุกอย่างเป็นความดีแต่ทุก ข, เ ว, กขเวทนาทุกอย่างทุกขเวทนาทุกอย่างหรทุกเวทนาทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเออต้องบุญอย่างนี้ทุกขเวทนาทุกอย่างที่บอกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันไม่แน่หรอว่าจะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าตัวอย่างนะธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จเนาะเอเซอร์ริชัทแบรนสันเป็นต้นเอาคนไทยก็เช่นธนินเจีวรนนท์เป็นต้นอย่างเงี้ย พวกนี้ลำบากมาก่อนัรงนั้นนะเจอทุกขเวทนามาก่อนอย่างไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเสือผื้นหมอนใบตากตามธรมาหา ก, กินนี่คือท่านเหล่านี้มีทุกขเวทนามาก่อนทางนั้นเลยแต่ทุกขเวทนานั้นที่เกิดขึ้นนั้นทําให้สร้างบุญได้ทําให้ตั้งอยู่ในมรดอยู่ในทางได้ตรงทางได้มีความเพียรมีความพยายามต่อสู้ไม่ท้อแท้ท้อถอยเจอทุกขก็อดทนได้แต่ก็ทําให้ตั้งตัวเกิดมาได้ประสบความสำเร็จเกิดมาได้อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นทุกขเวทนาทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแล้วอะไรอะที่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี <S <S <S ก็ทุกขเวทนาถ้าเกิดแล้วทําให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ทุกขเวทนานั้นอะดีสุขเวทนาทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะดีเอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสุขเวทนา น, น, นั้นเนี่ยทําให้อยู่ในอกุศลธรรมเนี่ยสุขเวทนานั้นเน่ยไม่ดีค่ะเออคือฟังเหมือนดีแต่ว่า ต้องใช้ปัญญาพิจารณา่ว่ามันอาจจะเป็นความสุขที่ไม่ดีอืก็ไดถ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องหรืออย่างเรื่องการเลี้ยงลูกนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่บางคนบอกว่าฉันเลี้ยงลูกอย่างดีทำไมลูกไปอยู่ในสถานพินิษอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าูกทำมาหา ก, กินไม่เป็นคุณเลี้ยงดีนี่คุณเลี้ยงยังไงมันดีแบางทีก็โออย่างเดียวเนี้ยต้องการอะไรประเคนให้ประเคนให้อย่างเงี้ยดีของใครอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละจริงต้อง แยกย้ายให้ถูกค่ะแต่ดิฉันเองเนี่ยที่ถามเพราะพราะมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่นะคะท่านะคะก็ใช้ชีวิตเนี่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทําดีแล้วเพราะว่าทุกคนรักตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เราก็รู้ว่ามันเป็นมาตรฐานของใครก็รู้ว่าทําดีแล้วมันดีเนี่ยก็คิดว่าเออฉันทําแบบนี้เขาเชื่อมาดีฉันก็ทำฉันก็ทำฉันก็ทฉันทําอืมค่ะเออ แ, แต่วันนี้ มารู้ธรรมะแล้วอ่ถ้าจะทําดีแล้วให้เป็นดีที่เป็นบุญ<ด>ก็คือต้องทำตามมรรคถูกต้องถูกต้องดีตรงนี้มันก็จะต้องแยกแย้ำอีกว่าดีเคยชินใช่ไหมคุณเคยชินแล้วคุณก็ทําง่ายๆก็คิดว่ามันดีอความเคยชินที่เราทำทำเวลาเราคิดว่ามันดีแล้วเราทําจนชินเราคิดว่ามันดีมันอาจจะไม่ดีก็ต้องมาดูที่มาตรฐานไงเช่นบางคนมีความเคยชินในการที่จะเก็บที่นอนตอนเช้าทุกวันอย่างเงี้ยนะ ตื่มาปุ๊บฉันก็เก็บที่นอนเลยเออความเคยชินอันนี้ดีนะดีแต่คนที่มีความเคยชินอีกแบบหนึ่งเช่นกินอาหารก็ต้องกินแบบสี่ห้ามื้ออย่างเงี้ยนะความเคยชินแบบเนี้ยหิวเมื่อไหร่ก็กินทันทีหิวเมื่อไหร่ก็กินทันทีอย่างเงี้ยวันหนึ่งว่ากินหลายมื้ออย่างเงี้ยความเคยชินเนี้ยเราคิดว่ามันก็ธรรมดาหน้ากินก็เรื่องธรรมดาใช่ป่ะมันก็น่าจะดีกินของดีดีก็น่าจะดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นความเคยชินที่ถ้ามันทําให้ กุศลธรรมเกิดอันนั้นดีความเคยชินที่ทําให้อักกุศลธรรมเกิดมันไม่ดีค่ะงั้นไปประยุกต์กับเรื่องคนด้วยได้ไคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราติดตามสื่อต่างๆเราก็จะได้มีการอ่านถึงบางคนก็บอกว่าคนดีคนดีมีปัญหาสมมุตินะคะเราก็เลยเอาหลักกุศลอกกุศลไปจับว่าที่ว่าดีเนี่ย ถ้าจะให้ดีแบบดีจริงๆแล้วไม่มีคำถามต่อมาก็ต้องเอากุศลไปดูว่าสิ่งที่คนคนนี้ทาเป็นกุศลหรืออาจกุศลใช่ใช่แล้วก็ดีกับง่ายนี่ก็ต้องแยกไปอีกเหมือนกันนะคือถ้าเคยชินมันก็ง่ายคิดว่าทาะไรง่ายๆมันจะดีใช่ไหมค่ะไม่แน่ทำง่ายๆบางทีม่มันก็เป็นมักง่ายมันกลายเป็นไม่ดีไปเนี่ยค่ะ อันนี้เดียฉันคิดว่ามันเหมือนกับมีคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะที่ทําให้เราเข้าใจว่าการดํารงชีวิตเนี่ยอยู่ ง, ง่ายง่ายดีที่สุดทีนี้การที่จะต้องตีความค่ะเหมือนคําว่าดีเหมือนคําคว่าพอดีอตีความยากมากนะคะง่ายง่ายแบบไหนเออใช่ค่ะใช่ไหมคือดํารงชีวิตอยู่ง่ายหรือว่ายากอย่างถ้าอคราว่าอย่างเงี้ยการมาอยู่ป่านอนเตียงคนเดียวหรือไม่กินข้าวเย็นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนบอกว่าไม่ยากนะคะออหมาถึงว่ายุ่งยากอันยากนี่ที่นจะธรรมดานะแต่บางคนบอกว่ามันยุ่งยากอ่ะก็เอาเดิมๆมันง่ายดีทําไมสภาพแวดล้อมทุกวันนี้สมมุตินะคะเรื่องไปวัดเนี่ยอฝูบม้อนมุ้งอะไรมันก็หาได้อยู่แล้วนี่ อ, อทําไมจะต้องไปนอนกระดานให้มันยุ่งยากอเพราะมันต้องไปเก็บที่นอนอีกต่างหากสมมุติออนะคะอะไรอย่างนี้น ะ, ะใช่ไหมล่ะพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ความง่ายหรือความยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณมีความเห็นยังไงไง ความหมายคือทิฏฐิตรงนี้ไงว่าทิฏฐิที่คุณมีคุณเป็นเนี่ยคุณเป็นสักยะทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสักยะทิฏฐินี่คือความเป็นตัวตนว่าฉันทําอย่างเงี้ยของฉันอย่างเงี้ยมันง่ายอย่างเงี้ยทิฏฐิมันจะเป็นอย่างนี้ไงก็มองว่าการที่มีกระดายมีอะไรมันยากเพราะว่าสักยะทิฏฐิค่ะมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเพราะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันขอยกตัวอย่าง เหมือนกับว่าคนมีโอกาสรู้สึกนี้ได้นะคะว่าบางคนก็บอกว่าก็เรามาปฏิบัตินะีะเราปฏิบัติทางจิตใช่ไือและฉันก็ไม่เห็นเอาติดไปเกลือกลัวกับความสะดวกสบายเหล่านั้นเลยอืก็รู้ดีมีสติอยู่ว่าจะต้องเจริญสติให้เกิดขึ้นก็มุ่งมั่นในการเจริญสติไม่เห็นจะต้องไปทรมานกายให้มันมากเกินไปอือย่างเงี้ยไม่ถูกหรอคะก็ถูกถ้าคุณสามารถที่จะเจริญสติได้ตลอดสามารถที่จะไม่ไปเกลือกลั้วในสิ่งต่างๆได้ แต่คนที่พูดเนี่ยทําได้จริงหรือเปล่านะีไอ้ที่เราเห็นว่าเรามีสติอาจจะเป็นด้วยมิจฉาสติก็ได้เพราะมีโมหะอยู่นะีมันจึงต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกกระบวนการจรึงต้องเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเนะ่ยจึงต้องมีกระบวนการนะเนื่องจาะว่าถ้าสมมุติอยู่ๆปุ๊บเราบอกว่าอะไรก็วางสิอะไรก็ปล่อยวางสิง่ายจะตายหรือว่าอย่างเนี้ยฉันก็เจริญสติเอานอนเตียงนุ่มๆแล้วก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดูมันก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอ่ะค่ะดี๋ยฉันคิดว่าถ้าจะ ให้สรุปเหมือนกับเรากำลังเข้ามาในแดนที่พูดถึงการไปฝึกปฏิบัติตนแล้วแต่ว่ามันมีความคิดที่ย้อนแยง้งก็น่าที่จะเป็นไปเมื่อในใ น, ในการไปฝึกปฏิบัติมีหมู่คณะมีระเบียบวิธีเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติตามส่วนสมมุติกลับ่าบ้านใครบ้านมันแล้วถ้าคุณพิจารณาเห็นว่าไอ้นี่ไม่ได้ทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างนั้นก็ไ ม, ไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความมาตรฐานอันนี้คือมันจะต้องอยู่ที่บริบทของของการดําเนินชีวิตของคนนั้นด้วยน ะ, ะถ้าสามมติว่าคุณเป็นคาระวะคุณจะนอนเตียงก็ไม่มีปัญหานอนเตียงใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้าเป็นพระมันก็จะมีเรื่องศีลที่เป็นความปกติของแท้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งความละเอียดก็จะไม่เหมือนกันค่ะคือบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายก็เลยปฏิเสธไปเลยอืกับการที่จะเข้าหา สิ่งที่จะทำให้จิตใจได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยุ่งยากอะไรมากเป็นระเบียบแห่งการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าใช่บางทีก็มีรูปแบบบ้างเนี้ยน ะ, ะแต่ถ้าเราไปไวัดอาจจะมีรูปแบบบ้างก็กลองพิจารณาดูค่ะที่เพิ่งได้เกินๆไปบ้างว่าอาจจะมีการพูดคุยกันถึ ง, ถงการเดินทางไปปฏิบัติธรรมทา ง, ทา ง, ทางไกลเนี่ยคะ่ะเยี่ยมมากท่านมีอะไร ที่จะให้ความรู้ไหมคะก็คือในเรื่องที่เราจะไปเยือนสังเวชนีสสถานแต่สิ่งที่เราจะต้องทราบปรารบเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติถึงสสถานที่นี้เพราะว่าท่านพราณนท่านไปถามแต่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เนี่ยมีบุคคลที่น่าจเจริญใจมาพบท่านอยู่เป็นประจำท่านปราณ น, นเนี่ยได้เห็นบุคคลที่น่าจเจริญใจเหล่านี้นํามาหาพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นคือพอออกพรรษาแล้วพระภิกษุที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นะไปทําความเพียนที่นั่นที่นี่เนี่ยต่างก็มาหาพระพรุทธเจ้ามารายงานผลการปฏิบัติพระพรุทธเจ้ารับรองให้ว่ า, อ, าองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วองค์นี้ดีแล้วองค์นี้ปฏิบัติดีแล้วองค์นี้กลับไปปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างเงี้ยท่านพระนนเนี่ยมีความเจริญใจมีความแหมปลื้มใจดีใจในการที่ได้เห็นบุคคลที่น่าเจริญใจเหล่านี้อันนี้คือคําถามที่ท่านพระนนไปถามพระพรุทธเจ้า ว, ว่าเอาแล้วถ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วข้าพระองค์ไม่ได้เห็นบุคคลที่น่าเจริญใจอย่างนนนีี้้้เลยย่่พูดปรราาาขึมอง พระบุตรเจ้าก็เลยบอกว่าอานุนอ่ะสสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่บุคคลผู้มีศรัทธาเนี่ยควรจะมาเยือนมาดูจะทําให้เกิดความสังเวชนะว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วนะที่นี้หนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเยือนในสถานที่ที่พระพุทรเจ้าได้ท่านเคยตรัสรู้ที่นี่เนี่ยเราเราจะต้องทําตัวให้เป็นบุคคลที่น่าจเจริญใจตามการประรบของท่านพระอา น, นุน การน่าเจริญใจตรงเนี้คืออะไรนะเช่นเรามีศรัทธาเช่นเรามีความอดทนเช่นเรามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามีความเมตตาเรามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนจิตใจที่เป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยไปที่ไหนมันก็ดีมีความน่าเจริญใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเยือนที่ไหนโดยเฉพาะยิ่งสังเวชนีสถานเนี่ยนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติ ธ, ธรรมที่นั้นๆเนี่ยเราก็ให้ไปปฏิบัติบูชาให้นำจิตก็ร้รอให้มันสูง ให้ช่วยเหลือการให้มีความอดทนให้มีความศรัทธาตรงเนี้มันจะการทําให้การเดินทางการไปเยือนที่นั้นๆเนี่ยเป็นสุขะโตเป็นผู้ที่ไปดีแน่นอนเชินปอนนะคะสาธุค่ะค่ะส่วนไปแล้วจะเป็นอย่างไรก็จะกลับมาเล่าสู่กันฟังอย่างสรุปสรุปก็แล้วกันนะคะจะต้องรบกวนท่านอีกครั้งในเมื่อถึงวันนั้นเดิปนปานค่ะสำหรับวันนี้นาะมาสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ท่นฝั่งที่ครบคันนี่คือรายการสัมสนาสนทนานะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการออกเดินทางเราจะไปกันในปลายสัปดาห์หน้าคือวันที่12แล้วก็กลับมาวันที่19แต่ไม่ต้องกลัวนะคะจะมีการบันทึกเทปรายการให้รายการไม่ขาดตกบกพร่องเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณทวสวัสดีค่ะ